ใครจะจิบน้ําชากันบ้างเใครจะจิบน้าชาก็ไปเอาแก้วมาด้วย ปัญหาทั่วไปที่มนุษย์นำมาเป็นปัญหาในจิตใจของตนเองโดยที่ไม่รู้จักการปล่อยวางไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติไม่รู้ว่าจะปฏิบัติต่อปัญหาอันเป็นพื้นฐานในจิตยอย่างไรปัญหาก็คือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่าน เป็นปัญหาอย่างหนักมากในจิตในใจคนจนมีวิธีและหลักปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องรองรับการปฏิบัติในการที่จะเข้าไปดับปัญหาคือความฟุ้งซ่านในจิตวิธีการนั้นก็คือการทำสมาธิภาวนา หรืออย่างมากก็สวดมนต์ให้จิตใจของตัวเองเกิดความสงบความฟุง้งซ่านเราเข้าใจว่าเป็นความวุ่นวายภายในจิตใจเมื่อเกิดความวุ่นวายภายในใจในจิตใจขึ้นมาเราก็พยายามอยากจะกําจัดความฟุง้งซ่านวิธีที่ดีที่สุดที่พวกเราเคยถูกสอนมาก็คือการสวดมนต์ จึงมีบทสวดมนต์เต็มบ้านเต็มเมืองเพื่อให้สวดเพื่อให้จิตเกิดความสงบและเราก็สวดมนต์กันได้ติดปากหลายบทแต่ปรากฏว่าบทสวดมนต์ก็ยังไม่สามารถแก้ไขความฟุ้งซ่านในจิตได้สงบในขณะที่สวดจริงแต่ไม่ใช่การแก้ไขเราก็ขยับเข้ามาสู่การ ปฏิบัติภาวานาโดยการทำจิตให้สงบโดยทำสมาธิก็หาวิธีการต่างๆเพื่อจะทำให้จิตเข้าถึงสมาธิคือความสงบหลายคนมาถามอัตมาว่าเราจะทำจิตให้สงบอย่างไรพระอาจารย์อัตมาก็ถามกลับคืนไปว่าคำว่าสงบในความหมายพิยมเข้าใจว่า ในความสงบนั่ะที่เราจะทําให้เกิดขึ้นมันสงบยังไงคือถามย้อนกลับคืนไปเขาก็บอกว่าสงบโดยที่ไม่ให้มีความคิดเพราะความคิดมันลบเวรจิตใจมันทําให้เกิดความฟุ้งซ่านคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืน น, นอนไม่หลับก็มีเราจะทํำยังไงไม่ให้เกิดความคิดอาตมาก็เลยบอกว่าหากเราเห็นว่าความคิด อให้เกิดความวุ่นวายก็แสดงว่าความคิดคือภัยอันใหญ่หลวงที่ทำให้จิตของเราได้รับความเดือดร้อนต่างๆนาน า, นานประการหากเป็นเช่นนั้นถ้าไม่อยากให้มีความคิดมีอยู่อย่างเดียวที่จะไม่ต้องให้มีความคิดเลยทำยังไงไปสีทัญญา อ, อ๋อทำไมว่าเป็นอย่างนั้นเพสียดยาต้ีงมียานะครับความคิดยาไม่ให้คิดแล้วก็เบลอลอยอย่างนั้นครอปั่มปั่มเป๋อเปอไม่รับรู้อะไรคือมนุษย์เรานะ่ะไม่ได้เข้าใจคําว่าความคิดเราไปเข้าใจแล้วความคิดในในในสิ่งที่ผิดทางเราไม่รู้จักคําว่าความสงบโดยที่ยังมีความคิดอยู่ ความสงบทั้งทั้งที่มีความคิดอยู่คือความสงบอันสุดยอดสงบแบบมีความคิดถ้าสงบแบบไม่มีความคิดก็คือสงบแบบเขาเรียกวคนไม่มีความคิดคนที่ไม่มีความคิดเป็นยังไงเคยได้ยินที่เขาบอกไอ้คนไม่มีความคิดคไหม ก, ก, ก็นั่นแหละก็คือสงบไปวันๆไอ้ไอคนที่ไม่มีความคิด พราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นก็เรียกว่าก็สงบไปแบบวันๆนะ่ะสงบแบบไม่มีความคิดก็เลยชั่วครั้งชั่วขณะที่ทำอ่ะคือปฏิเสธความคิดอย่างถ้าวรการปฏิเสธความคิดอย่างเทาาเา้าวรมันเป็นการปฏิบัติต่อความคิดผิดพลาดมากต่มาถือว่าผิดพลาดมากเลยนะแล้วคนที่สอนให้เข้าไปกําจัดความคิดถือว่าสอนผิดผิดจากหลักศาสนาน้วย พุทธศาสนาไม่ได้สอนเพื่อกำจัดความคิดแต่พุทธศาสนาสอนสัมมาสังกะปะคิดให้ถูกต้องหากเราไม่รู้จักคําว่าสัมมาสังกัปปะคือการใช้ความคิดที่ถูกต้องแล้วเราจะไม่มีทางเดินเดินตามมรรคหรือว่าทางสายการนี้ได้เลย ส, สิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหากับชีวิตของเราคือความไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นี่เองมันทําให้เราไม่รู้จกักไม่กระทั่งความคิดที่อยู่กับเราว่าความคิดจะต้องอยู่กับเราจนถึงวันเกิดและจนถึงวันตาย แม้ตายไปแล้วล่าชีวิตไปแล้วความคิดก็ยังจะมีอยู่ไปกําเนิดอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามก็ยังจะต้องมีความคิดอยู่ไปเกิดเป็นเทวดาก็มีความคิดแบบเทวดาไปเกิดเป็นเปรตก็มีความคิดแบบเปรตไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีความคิดแบบสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นอสุรกายก็มีความคิดแบบอสุรกายไปเกิดเป็นนรกสัตว์นรกก็มีความคิดแบบสัตว์นรกคิดแต่หนีจะเอาให้มันพ้นออกจากความร้อนร้นผู้ล้นทุ้ไล่ในนรก มันก็ต้องคิดกันทังนั้นไม่มีไม่มีพบภูมิไหนที่เขาไม่ใช้ความคิดกันเขาก็ใช้ความคิดกันทั้งนั้นแต่ทีนี้เราไปตั้งค่าของความสงบไว้ว่าความสงบคือการปรสศจากความคิดทั้งๆ ท, ที่เราก็ยังไม่เข้าไปเจอความสงบที่แท้จริงว่ามันคืออะไรตรงนี้มันคือปัญหาของชีวิตในการปฏิบัติ เมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าความสงบที่แท้จริงคืออะไรมันเลยเกิดความอยากเข้ามาครอบงาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้จิตมันไม่คิดอยากให้มันสงบอย่างนีน้ดิ่งลงไปอยากให้มันสงบเยือกเย็นไม่ต้องไปคิดเรื่องเหลานั้นเรื่องเหล่านี้มันวุ่นวายเราอย่าลืมว่าสิ่งต่างๆที่สําเร็จได้ในชีวิตของเรามาจากการคิดนะเราจะทําสิ่งต่างๆได้เพราะเราคิดใช่ไหมจะมาที่นี่ต้องคิดไหม ถ้าไม่คิดจะมาได้ไห ม, ไมไอยากจะทำบุญต้องคิดที่จะกระทำไห ม, ไมถ้าไม่คิดที่จะกระทำบุญจะทำบุญได้ไหมไม่ได้ไมันต้องใช้ความคิดเป็นตัวนาพระเจ้าจึงบอกว่าโลกนี้ถูกจิตนำไปถูกจิตชักไปสัตว์ทั้งปวงตกอยู่ภายาต้อำนาจแห่งจิตจิตก็คือความคิดความคิดพาเราไปความคิดดึงเราไปความคิดชักนำเราไป พระเจ้าองค์จึงไม่ให้ปฏิเสธความคิดแต่พระองค์สอนให้เรารู้จักใช้ความคิดว่าจะให้ความคิดนําเราไปทางไหนหากเราคิดไปในทางที่ดีนําเราไปในทางที่ดีตัวเราก็จะไปเป็นทางที่ดีเห็น ไ, ไหมพระเจ้าบอกว่าขณะที่ตายใกล้จะตายเนี่ยสิ่งที่จะให้ผลก่อนกรรมอื่นเรียกว่าอาสานะกรรมกรรมที่จะให้ผลก่อนกรรมอื่นแล้วอาสานะกรรมจะให้ผลทางด้านความคิดหมายถึงว่าขณะทําบุญมาตลอดชีวิตเนี่ยแต่ก่อนใกล้ตายไปคิดโกรธใครใ ค, รใครในใดคนหนึ่งไว้ ตายปับ๊บไปไหนกำหนดสัตว์ด้วยชาน้นเป็นพีปีสารสุรกายหรือบางทีก็ถกนรบถ้าถ้าเป็นความความคิดที่โปรดแค้นอย่างรุนแรงเห็น ไ, ไหมขณะทําบุญมาทั้งชีวิต น, นั่นีอก็สามารถไปเอาส่วนใบยภูมิได้เพาะความความคิดเนี่ยเป็นเครื่องนําเราไปแม้จะไปพานิพนันก็ใช้ความคิดแต่เป็นความคิดเพื่อดับความคิดเขาบอกว่าเป็นความคิดเพื่อดับความคิดยังไง หมายถึงว่ามรแปดคือสังฆาตธรรมธรรมที่เกิดจากการปรุงแต่งการปรุงแต่งโดยเส้นทางแห่งอริยมรที่เป็นเครื่องดําเนินในจิตสัมมาทิฏฐิคือการมองให้เห็นความจริงสัมมาสังกัปปะคือคิดให้ตรงกับหลักควาเป็นจริงสัมมาวาจาคือการพูดในสิ่งที่เป็นจริง สัมมากรรมตะคือการกระทำในวิถีแห่งความเป็นจริงสัมมาชีวะคือการใช้ชีวิตตามหลักแห่งความเป็นจริงสัมมาวายามะความพยายามในสิ่งที่มันเป็นจริงสัมมาสติคือการระลึกรู้ในความจริงสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นในความจริงเพราะฉะนั้นคําว่าสมาธิในความหมายที่พงทศงบอกไว้ในหลักของมรรคแปดมันเป็นความตั้งใจมั่นอยู่กับความจริงความจริงคืออะไรก็คือสัจจ สัจจีคืออริยสัจนะความตั้งใจมั่นในอริยสัจสี 4. ตั้งใจมั่นลงสู่อริยสัจเนี่ยลงสู่อริยสัจคือทุกอะไรคือทุกทีเนี่ยอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกเนี่ยแล้วอะไรคือทุกตั้งใจมั่นไว้ในสัจจีสี่ประการนี้คือสมาธิทุกเหตุให้เกิดทุกความดับไปของทุกทำปฏิบัติที่ถึงความดับทุก หรือว่าทุกขัสัจจ์สมุทัยสัจจ์นิโรธสัจจ์มรรคสัจจ์ความตั้งใจมั่นในสัจจ์สี่นี้คือสมาธิการตั้งใจมั่นลงสู่อริยสัจสีนี่มันไม่ใช่ปัจจุบันความคิดมันไม่ใช่ว่าไม่คิดแต่มันเป็นการใช้ความคิดบนพื้นฐานแห่งความจริงที่จิตใจของเราอยู่ในหลักของความเป็นจริง เพราะอะไรเพราะความคิดเป็นตัวนำไปนำไปไหนการที่จิตของเราคิดอยู่ในหลักของอริยสัจสีแล้วความตั้งใจของจิตนั้นรู้ไปตามหลักของอริยสัจสีที่จิตได้คิดอยู่มันจะ น, นำเราไปสู่พระ น, นิพพานเพราะอะไรเพราะอริยสัจสีจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งเราไม่สามารถกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้ถ้าเราไม่พิจารณาอริยสัจี อริยสัจสีที่ถูกพิจารณาขึ้นมันจะเกิดเป็นดวงตาปัญญาเห็นสิ่งที่เป็นอสังขตธรรมธรรมที่ดับการปุงแต่งนั้งวนคำว่าดับการปุงแต่งไม่ใช่ดับความคิดหมายถึงว่าดับการเกิดในภพชาติทั้งหมดเมื่อใดที่ขันที่เป็นอุปทานขันนี้ดับรอบหรือถึงการแห่ง ความหมดไปสิ้นไปของอายุไขเมื่อนั้นถึงจะชื่อว่าเป็นการดับความคิดอย่างทาวอนแต่ตราบใดที่ขันห้าหรือว่าอุปทานขันนี้ยังคงอยู่มีอยู่ความคิดก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นเพราะความคิดจัดด้วยในสังขารขันเป็นสิ่งที่มีอยู่และต้องมีทีนี้เราจะเอาความสง บ, บ จากความคิดที่มีอยู่นี้โดยการตั้งจิตให้มั่นลงในสัจจคตว่านี่คือทุกข์อะไรคือทุกข์ก็ความคิดนี่แหละคือทุกข์เมื่อเรารู้ว่าความคิดนี้คือตัวทุกข์คือสังขารขันมันจะฟุ้งแค่ไหนก็ตามมันก็คือสังขารขันหรือมันไม่ฟุง้งมันก็คือสังขารขันมันจะคิดนิ่งๆคิดเฉยๆคิด ไปในเรื่องราวต่างๆนานามากมายจนหาที่ยุติไม่ได้มันก็คือสังขารขันสังขารขันนี้จัดเป็นผู้ขัดสัจจะคําว่าทุกขัดสัจจะนั้นถือว่าเป็นความจริงที่มันจะต้องเป็นความจริงที่มันจะต้องเป็นก็คือความคิดมันจะต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่จะฟุ้งหรือไม่ฟุ้งก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันจะต้องมีอยู่มันเป็นสัจจะของมัน เมื่อความคิดเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วความคิดนี้ก็ต้องฟุ้งไปตามเรื่องราวต่างๆนาน า, นาที่เราเคยรับรู้รับทราบมาเราก็ต้องให้ความคิดเป็นความคิดตามที่มันคิดพทธเจ้าจึงบอกว่าทุกขสัจจานี้ไม่ควรละแต่ให้ยอมรับทีนี้คนยอมรับทุกขสัจจานี้ไม่ได้ คือยอมรับความคิดว่าเป็นสัจจ์ยอมรับความคิดว่าเป็นความจริงไม่ได้เมื่อยอมรับไม่ได้แล้วจึงมีการปฏิบัติเพื่อเข้าไปดับความคิดเมื่อมีการปฏิบัติเข้าไปดับความคิดจึงเกิดวิธีการหลงในการดับความคิดขึ้นจงจำไว้ว่าความคิดแม้จะฟุงงซ่านแค่ไหนก็ตามมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสิ่งชั่วร้ายไม่ใช่เรือกเลวร้าย ฟุ้งไปหนักแค่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องเครื่องเลวร้วายแต่สิ่งที่เลวร้วายที่สุดก็คือเราไม่ยอมเข้าใจความคิดตรงเนี้อาตามาเคยเจอคนที่เกิดความคิดฟุ้งทั้งวันทั้งคืนแบบนอนไม่หลับจนถึงสว่างก็มีเคยเจอถามว่าเป็นยังไงเขาบอกเขาก็หาวิธีที่จะดับความคิดอยู่ทั้งคืนแต่มันดับไม่ได้เมื่อมันดับไม่ได้แล้วจะเข้าไปดับมันทําไม ผู้เจ้าจึงไม่สอนให้ดับในชั้นของผู้ข้าสัจจ์นะแต่ผู้เจ้าสอนให้ดับในชั้นของสมุทัยสัจจ์ทุกขะสัจจ์องค์จึงบอกว่ากำหนดรู้และยอมรับหลักอริยรรสัจสี่เนี่ยเราเรียนต้องเรียนให้เข้าใจนะถ้าเราเรียนไม่เข้าใจแล้วนี่เราจะพลาดประเด็นของการปฏิบัติต่อตัวของเราเองเพราะว่าสังขารขันคือความคิดเป็นเรื่องที่เกิดจากตัวเราเพราะนั้นเรื่องเราของอริยสัจ มันไม่ใช่เรื่องลึกลักลบซับซ้อนแต่เป็นเรื่องที่นํามาสู่ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยคำว่ายากหมายถึงว่าไม่ค่อยได้ถูกอธิบายให้เราได้เข้าใจอย่างง่ายดายหรือไม่ได้ถูกอธิบายให้เรานําไปใช้กับชีวิตประจําวันของเราเองเราจึงมีวิธีการเข้าไปกับจัดความคิดต่างๆนาน า, นานประการขึ้น และบรรดาวิธีการที่จะเข้าไปดับความคิดนั้นก็มีวิธีการตอบสนองการปฏิบัติเพื่อดับความคิดกันเยอะแยะตามแต่ละแต่ละที่ที่จะสอนสมาธิเราเพื่อเข้าไปดับการที่เราสามารถทําสมาธิเกิดเป็นความสงบแล้วความคิดหายไปในเวลาที่ทํานั้นยอมรับ ว, ว่าเป็นความสงบจริงแต่นั่นไม่ใช่วิธีการสร้างความสงบที่ถูกต้องมันได้รับความสงบ แบบไม่มีปัญญาความสงบมันจะต้องเป็นเครื่องเครื่องรองรับปัญญาถ้าเอาตามหลักพุทธศาสนาความสงบที่จะเป็นเครื่องรองรับปัญญาได้คือความสงบที่รู้จักขันห้าตามความเป็นจริงความคิดจัดอยู่ในสังขารขันหากเราพิจนารณาน ล, งลงสู่ขันใดขันหนึ่งในนามขันสี่ แล้วกำหนดรอบรู้ในขันที่เกิดขึ้นว่าขันนี้ไม่ใช่กิเลสพระพุทธเจ้าบอกว่าขันไม่ใช่กิเลสด้วยอำนาจของสมาธิธิในการเห็นอย่างถูกต้องชัดเจนแล้วคือเห็นทุกข์คว่าเห็นทุกข์ก็คือเห็นขันนั่นเองว่าเป็นทุกข์ทุกข์ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวกิเลสโดยภาวะของมันหรือตัวของมันไม่ใช่กิเลสเมื่อขัน มันไม่ใช่กิเลสความคิดก็คือสังขารขั น, ขนความคิดจึงไม่ใช่กิเลสเมื่อความคิดไม่ใช่กิเลสเราจะไปกําจัดมันทำไมพระเจ้าให้กําจัดกิเลสเมื่อเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเราก็เลยปฏิบัติผิดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นสังขารขั น, ขนไม่ใช่กิเลสโดยตัวของมันจึงจะต้องกําหนดรู้และยอมรับเมื่อเรายอมรับทุกขสัจจ์ในส่วนของสังขารขั น, ข น, ขนคือความคิดนี้ได้ก็คือเรายอมรับความจริงได้ เพราะสัจจะคือความจริงหากเราไม่สามารถยอมรับความคิดได้ก็คือเรายอมยอมรับความจริงไม่ได้เมื่อเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็จะหนีออกจากความจริงแล้วจะกระทําทุกวิธีทางเพื่อหลีกเลี่ยงความจริงไม่ยอมรับความจริงปฏิเสธความจริงผักนั้นความจริงหนีออกไปจากตัวเองแล้วเราจะไม่มีวันเจอความจริงตลอดทั้งชีวิตตลอดภพตลอดชาติตลอดการยืดยาวนานเพราะการปฏิบัติเพื่อเข้าไปดับทุกข์ได้นั้น จะต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนความจริงในชันสัจจะในข้อแรกคือยอมรับทุกความคิดจะมีความทุกข์แค่ไหนก็ตามมันก็เป็นสัจจะในตัวของมันมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายความทุกข์ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่มันเป็นปัญหาจริงแต่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายกิเลสคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจความอยากความดิ้นรนความเดือดร้อนความทยานอยากต่างๆนานาต่างหาคือความเลวร้าย เพราะอะไรเพราะมันทําจิตใจของเราให้กระสับกระส่ายทําจิตใจของเราให้ดิ้นลน้นวุ่นวายเดือดร้อนสารพัดอันสารพัดอย่างที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตในใจในขณะที่มีความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยพวกมันไม่ได้เกิดขึ้นมานลอยๆไม่ได้เป็นก้อนพุกวิ่งมาชนตัวเราแล้วเป็นทุกขทันทีเลยอย่างนี้นไม่ใช่มันมาจากเหตุพวกมันเหตุพวกมันมาจากไหนก็เรียนรู้เหตุพวกมันทีนี้ก็รู้ว่าทุกขม์มาจากเหตุอันนี้ แล้วเหตุอ <scripture> ันนี้จะนําไปสู่ทุกอันนี้และเมื่อเราการทำเหตุอันนี้เป็นไปเพื่อทุกอันนี้เหตุอันนี้เมื่อเกิดทุกมีความจําเป็นจะต้องทํามันอยู่ก็ต้องทําแล้วก็ต้องยอมรับความทุกข์เกิดที่เกิดขึ้นจากเหตุแห่งการกระทําและเมื่อทราบว่าทุกนี้มาจากเหตุอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าตราบใดที่เหตุยังมีอยู่ทุกก็ยังจะต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นหากเรายังไม่แก้เหตุ เราก็จะแก้ทุกข์ไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราทําความเข้าใจด้วยปัญญายอมรับสัจจ์แห่งความจริงว่าทุกข์มีอยู่เพราะเรายังยังได้สร้างเหตุของความทุกข์อยู่แล้วเราก็ยอมรับทุกข์แล้วก็รู้จักเหตุแห่งการกระทําโดยที่ไม่ใช้ความอยากเข้าไปดับความทุกข์แต่เหตุเป็นไปเพื่อทุกข์เรายังทํากันอยู่แต่อย่าใช้ความอยาก เรแยกให้ออกนะครอนี้นะเพราะว่าความอยากเขาเรียกว่ามันมันมันมันมาจากความหลงหลงยังไงคือเราสร้างเหตุแล้วแล้วมันเป็นความทุกข์สำหรับเราแล้วแต่เราจะเข้าไปใช้ความอยากเพื่อเข้าไปดักทุกข์มันใช้ไม่ได้มันผิดมันผิดเขาเรียกว่าผิดขั้นตอนผิดหลักผิดแบบผิดผิดวิธีลักษณะเขาว่าวิธีลักษณะหมถึงว่า มูลเหตุมันเกิดขึ้นก่อนทุกตามมาแต่เราจะใช้ความอยากเข้าไปดับความทุกอย่างเงี้ยมันมันผิดเพรความอยากเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นภายหลังจากความทุกที่มันตามมาแล้วเพราะความอยากที่สร้างขึ้นเนี่ยพระเจ้าบอกว่าละแต่เหตุแห่งทุกที่มันมาก่อนหน้านี้ยอมรับแต่ความอยากที่จะเข้าไปดับละเอาแล้วอย่างเงี้เราจะดับทุกได้ยังไงก็นี่แหละคือวิธีดับทุก พรอะไรเพราะถ้าเราไม่เข้าไปใช้ความอยากความดิ้นรนความเดือดร้อนความกระวนกระวายอยู่ในขณะที่จะเข้าไปดับมันก็จะไม่เกิดมันก็จะเริ่มแต่ทุกข์กับเหตุที่มีอยู่มันก็เป็นไปตามภาวะของมันหมดเหตุื่าอะไรมันก็ทุกข์ก็ดับเมื่อนั้นเนี่ยคือคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจให้มากที่สุดเราจะต้องเข้าใจให้ยิ่งยิ่งกว่าความเข้าใจในเรื่องอื่นใดเลยที่เราเข้าใจเราเคยเข้าใจเรื่องใดๆมา เรื่องราวที่เราเคยเข้าใจมาทั้งหมดยังไม่สําคัญเท่ากับที่เราจะต้องมา ท, ทําความเข้าใจเรื่องนี้เพราะนี่คือวิธีการดับทุกข์ภายในตนเองที่เราจะต้องรู้จักบุทรชนจะมีสัตจคติอยู่2ประการคือหนึทุกข์สองเหตุที้เกิดทุกข์จมีอยู่2ประการแน่นอนว่าทุกข์มันมาจากเหตุแล้วบุตรชนจะต้องสร้างเหตุให้เกิดทุกข์สำหรับตนเองอยู่ตลอดเพราะคือบุตรชนมีทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์ เม <ME> ื่อสร้างเหตุให้เกิดทุกข์ก็ต้องมีทุกข์และเมื่อมีทุกข์แล้วก็ทุกข์ก็มาจากเหตุแห่งการกระทาพระรัองค์จึงบอกว่าสมุทัยคือตัวเหตุสมุทัยอันเป็นตัวเหตุเป็นของกวศละคําว่าสมุทัยอัเป็นตัวเหตุของเป็นของกุศละนั้นคือไม่ใช่ไปละสมุทัยอันเป็นตัวสร้างเหตุมาก่อนแล้วเช่นตัวเราเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยคือตัวทุกข์แล้วเป็นผลเรียกว่าเป็นตัวทุกข์แล้ว เป็นผลนะครก่อนที่จะมาเกิดอันนั้นนะ่ะคือสานไหยเราสร้างเหตุอะไรไว้ไม่รู้แหละก่อนที่จะมาเกิดเราจะไปแก้ไขหรือไปละอันอันสร้างตัวก่อนที่จะมาเกิด น, นัน้ละไม่ได้เพราะมันเป็นมูลเหตุนํามาซึ่งเป็นก้อนทุกคือตัวเราที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่พระองค์บอกว่าให้ละความอยากในภาวะแห่งความเป็นอยู่ในกายสังขารอันนี้อย่าใช้ความอยากในตัวทุกข์อันนี้ อย่าใช้ความอยากเข้าไปแก้ไขหรือดับในความทุกข์อันที่เกิดขึ้นภายในตนเองนี้อย่าใช้ความอยากจะทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจทุกข์เพราะความแก่ความเพียรความตายความพัดผ้าความทพลิ้วพลิไลรองพันความไม่ได้ดังใจไหมาความปัจจันาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นอารมณ์ที่บีบคั้นทางใจอย่าใช้ความอยากเข้าไปดับมันเพราะผลคือก้อนทุกข์อันเนี้มันมาจากเหตุของพบก่อน ถ้าเราใช้ความอยากมันจะเป็นการสร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่เกิดขึ้ น, น, นผู้เจ้าจึงบอกเฮละอย่าใช้ความอยากแต่เหตุอันที่เป็นตัวที่เาเรียกว่านำมาซึ่งความทุกข์เหตุอันป อ, อนที่จะนำมาสู่การเกิดน่มันก็ยังจะส่งผลงคือทำให้เรามีทุกข์ในตัวนี้ในตัวกายนี้ที่าตมาบอกว่ามันจะมีทุกข์แท้กับทุกข์เทียม ทุกแท้ให้ยอมรับทุกเทียมให้ละทุกแท้คืออะไรทุกในกายแล้วก็ทุกในจิตให้ยอมรับทุกเทียมคืออะไรทุกอันเกิดจากความอยากด้วยอํานาจของอุปาทานที่มีอวิชชาครอบงาอยู่ให้ละละยังไงละโดยโดยโด ย, โดยการรู้จักทุกรู้จักตัวเนี้ยตัวกายเนี่ยกายคืออะไรธาสี่จิตคืออะไรขันห้า ไม่ใช่เพอาะไปขันสี่เพราะจิตคือตัวนำแต่เรียงเรียกรวมกันว่าขันห้าทั้งกายทั้งจิตนี้คือก้อนทุกข์กายกับจิตเป็นก้อนทุกข์ที่ถูกต้องตามหลักธรรมชาติของมันไม่ผิดกายมีทุกข์เองไม่ผิดนะใจมีทุกข์ไม่ผิดนะมันมันเป็นก้อนทุกข์โดยธรรมชาติอะก็ในเมื่อสัจจการกำหนดไว้แล้วว่าเป็นทุกข์โดยหลักธรรมชาติของมันจะไม่ให้มัน มีทุกข์ได้ไหมล่ะไม่ได้ถ้าเราบอกว่าไม่ให้กายมีทุกข์ไม่ให้กายเจ็บไม่ให้กายป่วยไม่ให้กายแก่ไม่ให้กายตายก็เท่ากับไปบิดเบือนธรรมชาติให้เป็นอย่างอื่นการที่เราไปบิดเบือนธรรมชาติคือความทุกข์ให้เป็นอย่างอื่นมีใครบิดเบือนได้มีใครทําได้พระพุทธเจ้าตายไหมพระอริยสงสาวกแต่ครั้งพุทธการเป็นพระอรหันต์ตายไหมไม่ท่านทําไมเป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้ไเจ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ให้ร่างกายไม่ตายอ่ะทําไมไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนได้ไหมล่ะมันไม่มีใครเปลี่ยนได้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายทวดของเราตายไปหรือยัท่านไม่ไม่คงอยู่เลยใช่ไหมในเวลานี้และเราจะเหลืออยู่ไหมในโลกนี้ความทุกข์เป็นสีที่มีอยู่อยู่แล้วในวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นนี่คือความทุกข์ชั้นห ย, ยาบๆที่เราจะต้องยอมรับและเข้าใจจนเข้าไปสู่ความทุกข์ชั้นนามธรรมาอันละเอียด สุขเวทนาเกิดขึ้นไปเปลี่ยนให้มันเป็นทุกข์ได้ไหมทุกขเวทนาเกิดขึ้นไปเปลี่ยนให้เป็นสุขได้ไหมไ ม, ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นจะไปเปลี่ยนให้มันเป็นสุขหรือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมมันเป็นยังไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นใช่ไหมก็เรียกเป็นธรรมชาติแห่งความเป็นจริงที่มันเป็นสัญญาขาญันเรื่องราวต่าง ๆ, ๆ, ๆที่ล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วเกิดขึ้นในจิตอีกครั้งหนึ่งในแต่ละเรื่องจะเป็นเรื่องดีก็ตามเรื่องไม่ดีก็ตามเรื่องที่เป็นไปเพื่อความสุขก็ ไ ป, ไปเปลี่ยนมันได้ไหมละ่ะสังขารความคิดจะคิดฟุ้งไปมาแค่ไหนก็นตามคิดไปจนรอบโลกคิดนี้เอาไปจากหลักความจริงแค่ไหนก็ตามคิดอยู่ในหลักความจริงแค่แค่ไหนก็ตามคิดน้อยก็ตามคิดมากก็ตามไม่คิดก็ตามสังขารขันคือสังขารขั น, ข น, นไปเปลี่ยนมันได้ไหม <S <S ไม่ได้วิญญาณขันการรับรู้รับรู้ในเรื่องของกาย ร, รับรู้ในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารมันก็รับรู้ทําหน้าที่ในการรับรู้มองเห็นการก็เห็นด้วยการรับรู้หูได้ยินเสียงก็รับรู้ในเสียง จะมูกร้องกลิ่นก็รับรู้ในกนลิ่นลิ้นลิมริ้ก็รับรู้ในในในรสชาติที่มากระทบลิน้นมันมันก็เป็นเป็นวิญญาณขันที่มันรับรู้ในกายรับรู้ในเวทนารับรู้ในสัญญาสังขารไปเปลี่ยนมันไม่ได้เปียนบอกไม่ให้มันไม่รับรู้ไม่ได้ไม่อยากเห็นสิ่งสิ่งที่มันไม่ดีกนี้เมื่อตามันผ่านเข้ามาในสัตว์เขาเรียกว่าผ่านเข้ามาในภาวะแห่งการเห็นแล้วจะไปเปลี่ยนไม่ให้ไม่เห็นะ เปลี่ยนไม่ได้จะเป็นไรมันมันเปลี่ยนไม่ได้ทําไงสิ่งใดที่เราเปลี่ยนไม่ได้ควรทําไงกับมันไก็ยอมรับเ <c oughs> <c oughs> ง่ายๆฟุ้งแค่ไหนก็ยอมรับอ๋อเรากําลังฟงุ้งนี่จิตกําลังฟงุ้งนี่คือความฟุ้งของจิตจิตกําลังเป็นไปเพื่อความฟุ้งความฟุ้งกําลังเกิดขึ้นกับจิตจิตฟุ้งอยู่เราก็รู้ตัวเราฟุ้งอยู่การที่เรารู้ตัวเราเราฟุ้งอยู่ความรู้ตัวนั้นจะควบคุมความฟุ้งไว้เองอัตโนมัติไม่ต้องไปทําให้มันเกิดความสงบอีกแต่ อาการที่เรารู้ตัวว่าเรากําลังฟุ้งเนี่ยมันจะเข้าไปควบคุมความฟุ้งไว้แล้วมันจะเกิดความสง บ, บเองนั่นคือวิธีการหมายถึงว่าอะไรย่มติ้งอะย่อมติงต้งนี่คิดฟุ้งจนนอนไม่หลับอ๋อเราเราฟุ้งอยู่ตอนนี้เราฟุ้งเพราะเรื่องนี้ที่ฟุ้งเพราะเรื่องนี้เพราะ ไปรับเรื่องนั้นมาไปทําเรื่องนั้นไว้ไปคิดในเรื่องนั้นขึ้นมาไปกังวลในเรื่องนี้ไปวิตกในเรื่องนั้นไปกลัวว่าเรื่องโน้นจะไม่สําเร็จไปกลัวว่าคนโน้นจะไม่เป็นอย่างนี้คนนี้จะไม่อ๋อนี่คือความฟุ้งอ๋อนี่ความฟุงมฟ้งมันเป็นอย่างนี้ความฟุ้งกําลังเกิดขึ้นกับจิตนอนหลับไปนอนหลับไปอ๋อนี่นี่คือความฟุง้งเรียนรู้ความฟุ้งไปอย่างเงี้ยถูกถูกต้องมันต้องฟุง้งเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทําไว้ เมื่อมันฟุ้งขึ้นมาก็รับทราบความฟุ้งที่เกิดขึ้นในจิตสุดท้ายเดี๋ยวก็หลับสบายได้ทีนี้จงจำไว้ว่าความฟุ้งคือการถ่ายเทอารมณ์ที่เราเคยทำมาทั้งหมดผ่านจิตมันเป็นการถ่ายเทอารมณ์ของจิตพูดง่ายๆความฟุ้งนะหมายถึงว่าแต่ละเรื่องในการที่เราใช้ชีวิตประจำวันมาเนี่ย เรารับเรื่องต่างๆมาทางตาหูจมูกลิมกายใจรับเรื่องของนั้นรับปัญหาของคนนี้แม้แต่ปัญหาของตนเองปัญหาของคนรอบข้างปัญหาในครอบครัวปัญหาต่างๆนานารับมา๊มันจะไหลรวมสู่จิตพอถึงเวลาที่จะหลับปั๊บเนี่ยมันจะถ่ายเทออกถ่ายเทออกทีนี้เราไม่ชเข้าใจหลักของการถ่ายเทอารมณ์ของจิตมันจะถ่ายเทผ่านความคิดเราพยายามที่จะไปปิดมันไว้ไม่ให้มันถ่ายเทคือไม่อยากให้มันคิดปิดมันไว้ มันก็เหมือนกับว่าจิตเรากระท้อนนี้เป็นเสมือนจิตเหมือนหังขยะเรื่องราวต่างๆที่เรารับมาเหมือนกับขยะที่ถูกเก็บไปเก็บไ้เก็บไปพอถึงจุดหนึ่งขยะเต็มมันจะถูกมันจะเทออกแต่เราไม่อยากให้ขยะนี้เทออกเราจะปิดไว้เหมือนกับเราพยายามจะขังอารมณ์ไว้ในจิตไปทำสมาธิไปทำความสงบมันก็ไปปิดทังขยะนี้ไว้ ไม่ให้มันไม่ให้ขยะออกจากจิตเราแล้วแล้วใครปิดได้นี่ไม่ไม่เห็นขยะโผล่ออกมาในจิตนี่เข้าใจว่าตนเองสงบแล้วที่แท้ขยะในจิตแป้หมดเลยแต่ถ้าเราปล่อยมันถ่ายเทออกมาทางความคิดปล่อยออกมาจนหมดเรื่องหมดราวของมันแล้วปั๊บเนี่ยเราจะเจอความว่างก็โถลก็เป็นกระโลนว่างจิตเราก็จะว่าง แต่สำคัญในขณะที่เกิดความฟุง้งซ่านขึ้นมานั้นอย่าหลงปรุงแต่งไปตามอาการแห่งความฟุ้งที่เกิดปล่อยให้รู้ว่านั้นคือการถ่ายเทอารมณ์ข้อกิจเป็นการถ่ายเทเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันที่เรารับมาลักมาเทออกเทออกเทออกเฮ้เ อ, อดีจังเว้ยวันนี้ได้ถ่ายเทอารมณ์ออกจากกิจออกไปเฮ้อเรื่องราวนั้นก็ออกไปเรื่องนี้ก็ออกไปเรื่องนู้นก็ออกไปนั่งรับรู้มันอย่างนั้น ทำความเข้าใจมันอย่างนั้นหรือนอนหลับไปอ๋อมันกําลังถ่ายเทเรื่องนี้ออกมามันกำลังถ่ายเทเรื่องนั้นออกมาดีไม่ดีเรื่องแต่ละเรื่องที่มันถ่ายเทออกมานี่เรายังเอาประโยชน์กับมันได้อยู่นะมันยังสามารถทําให้เราได้ได้ประโยชน์จากมันอยู่ในบางเรื่องหากเรื่องบางเรื่องเป็นความสําคัญมันฝุดเกิดขึ้นเรื่องนี้มันมีความสําคัญต่อการที่เราจะไปการทําในธุรกิจบ้างเรื่องนั้นบปัญหาเรื่องนี้บ้างมันจะเริ่มเรียนรู้ไงจะเริ่มเข้าใจเอาพวกนี้ยมาใช้ประโยชน์ เอขยับมารีไซเคิลก็ได้ใช่ไหมล่ะมันมนีนนค่คือวิธีปฏิบัติแต่ไม่มีใครเข้าใจหลักการนี้จงจําไว้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขมันได้นะ ส, สังขารขันเรือความคิดแล้วตัวของมันก็ไม่ใช่กิเลสจึงไม่ต้องไปแก้แต่ความไม่รู้ไม่เข้าใจในสังขารขันตามความเป็นจริงนี่แหละต้องแก้เรียกวันเป็นกิเลสเป็นความอยากจะสร้างความอยากให้กับจิตเราเมื่อ บุรุชนมีทุกข์กับมีเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นความจริงแล้วที่จะต้องเกิดทุกข์ในแต่ละวันแต่พระอริยเจา้าถ้าจะมีความรู้ในความดับไปของทุกข์แล้วก็รู้ทางดับทุกข์นั่นหมายถึงว่าการที่เราเรียนรู้จักทุกข์ยอมรับรู้จักเหตุคืออย่ากอยาคือโดยปกติเวลาความทุกข์เกิดขึ้นหรือความคิดเกิดขึ้นน่ยความฟุง้งซ่านเกิดขึ้นเราอยากจะเข้าไปดับมันคือเราใช้ปัญหาแล้วใช้ความอยากนะ ยมวันบอกว่าอธิษฐานขอให้มันดับให้ใช้ความอยากเข้าไปแก้กันนะถ้าใช้ความอยากเข้าไปแก้เนี่ยมันก็เป็นเหตุเพิ่มก็ เ, เรียกว่ามันจะเกิดอวิชชาพรอบองำแต่พระอริยะเจ้าท่านจะไม่ไม่ไปเปลี่ยนธรรมชาติที่มันเป็นที่เป็นอยู่นะท่านจะปล่อยให้ธรรมชาตินั้นดับด้วยตัวของมันเองก็ เ, เรียกว่านิโรธ ก, ก็ปรากฏพระอริยะเจ้าท่านจะมีอริยสัจข้อที่สามคือเห็นความดับไปของ หนทุกสองเห็นเหตุให้เกิดทุกสามเห็นความดับไปของตัวทุกอ๋อทุกมันก็ดับได้ความคิดก็ดับไปได้ด้วยตัวของมันเองเมื่อความคิดดับได้ด้วยตัวของมันเองจะเข้าไปดับมันทําไมแต่ปัญหาของเราคือเวลาความคิดเกิดขึ้นเราอยากจะเข้าไปดับการอยากเข้าไปดับ น, นันน่ยมันยิ่งไม่ดับเพราะเราเข้าไปยึดถือมันไว้อยู่การใช้ความอยากต่อความคิดเป็นการยึดถือหรือถ้าดับมันได้ด้วยอํานาจของฌานสมาธิก็เป็นการดับด้วยความหลงไม่ได้การเป็นการดับด้วยความรู้ และเมื่อใดก็ตามที่พระริยเจ้ารู้ทุกรู้เหตุของทุกรู้ความดับไปของทุกนั่นแหละคือวิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกในจิตของพระริยเจ้าพระริยาเจ้าจึงใช้วิธีการเนี้ยดับทุกอยู่ตลอดแล้วท่านดับยังไทงทั้งทัที่ความทุกข์มันยังไม่อยู่คือความทุกข์ที่เป็นสัจจะยังไม่อยู่ดับโดยความที่จิตของท่านไม่มีความอยากที่จะเข้าไปจัดการกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นคือไม่ใช้ความอยาก ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากตรงเนี้ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะปฏิบัติกับตัวเองไม่ได้เลยธรรมะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสอนไว้เนี่ยสอนไว้เพื่อให้เราปฏิบัติต่อตัวเราไม่ใช่ปฏิบัติกับคนอื่นคนอื่นจะเป็นยังไงก็ตามเป็นเรื่องของคนอื่นแต่ตัวเราเนี่ยต้องปฏิบัติต่อตัวเราให้มันถูกต้องเพื่อที่แก้ไขตัวเราและกระดับทุกขในตัวเราให้ได้แล้วการดับทุกขได้ในแต่ละครั้งนั่นแหละ คือผลสําเร็จและผลประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสั่งสอนในทางมรรคแต่ทางสายกางสมาธิจึงกําหนดไว้ว่าคือความตั้งใจมั่นในสัจจ์ความตั้งใจมั่นในสัจจ์คือเห็นอริยสัจทั้ง4ประการนี่คือเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับไปของทุกและเห็นวิธีการดับทุกอย่างนี้อยู่ตลอดทุกๆครั้งตั้งใจที่เห็นตั้งใจให้มั่นอยู่กับอริยสัจสี่นี้อยู่ตลอด ความตั้งใจมั่นก็มาจากการมีสติที่ระลึกต่างความเป็นจริงนั่นหมายถึงว่าเราจะสามารถมีจิตตั้งมั่นในการรู้จากอริยาาสัจสีได้ก็จะมาจากสมาสติคือการระลึกในอริยสัจสีได้ถ้าเราระลึกในอริยสัจสีไม่ได้คือระลึกไม่ได้ว่าความคิดนี้เป็นสังขารขันสังขารขันเป็นทุกขสัจจ์ทุกขสัจจ์เป็นของควรกำหนดรู้และยอมรับ อย่าใช้ความอยากที่จะเข้าไปดับมันถ้าเราเรลืมอย่างนี้ไม่ได้จิตเราจะตั้งมั่นไม่ได้อย่าไปเลยนั่นมันมาจากการระลึกที่ถูกต้องการละลึกที่ถูกต้องมาจากความพยายามที่ถูกต้องความพยายามที่ถูกต้องมาจากการใช้ชีวิตที่ถูกต้องการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักอริยสัจสีเนี่ยใช้ชีวิตรู้รู้รู้จักทุกภายในตัวเรานะพอมีความพยายามอยู่ ร, รู้จักทุกมีความพยายามปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าไป เรียนรู้กับความทุกข์ที่เป็นอยู่กับชีวิตของเราเรียนรู้ความทุกข์ตามความเป็นจริงยอมรับความทุกข์ตามความเป็นจริงอันนี้เป็นความทุกข์อยู่แล้วอย่าไปแก้ไขมันให้ยอมรับการยอมรับความทุกข์ได้คือยอมรับสัจจ์ได้การยอมรับสัจจ์ได้เราจะเราจะเข้าไปเห็นสัจจ์เราจะเป็นคนที่ยอมรับความจริงได้ง่ายขึ้นเราจะไม่ปฏิเสธความจริงเราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงเราจะไม่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกพื้นฐานแห่งความหลงมงมไงเราจะไม่หลงมุมไอย่างอดีอีกเลยเราจะรู้ว่ามันเป็นความทุกข์เป็นสัจจ์ ความจริงมันเป็นอย่างนี้เมื่อความจริงกําหนดไว้เป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นเป็นธรรมด า, าเวลาความทุกข์เกิดขึ้นอีกกี่ครั้งกีพ่พนมันก็ไม่เป็นเรื่องน่าแปลกไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์ไม่ใช่เรื่องเรื่องเสียหายเพราะความทุกข์ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเป็นสัจจะตรงเนี้คนคนไม่เข้าไปไม่ถึงปัญหาเลยเกิดขึ้นในชีวิตของตัวของคนเองในความพยายามคือการมาจากการใช้ชีวิตที่ถูกคือใช้ชีวิตตามหลักแห่งสัจจะตามหลักแห่งความจริงการใช้ชีวิตก็คือสัมมาอาชีวะ สามาอาชีวะจะเป็นสามาชีวะการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องได้ก็มาจากสามากัมมันตะการกระทําตา ม, ตามหลักของอริยสัจสีแล้วกัมมันตะจะสําเร็จประโยชน์ได้ก็ต้องมาจากสัมมาวาจาจริงๆริงนะอันนี้คือหลักสัจจะเลยนะหากพูดผิดการกระทําผิดแน่นอนหากพูดถูกถูกตามหลักแห่งความจริงการกระทําก็จะเป็นไปตามหลักแห่งความจริงแล้วคําพูดจะถูกต้องตามหลักแห่งความจริงได้ก็มาจากสัมมาสังกัปปะใช้ความคิดในทางที่ถูกต้องตามหลักอริยสัจสีนี่แหละ คิดในเรื่องของหลักอริยสัจสีนี้อยู่เสมอแล้วความคิดจะคิดในหลักของอริยสัจสีได้ติดต่อเนื่องกันได้ก็มาจากสัมมาทิฏฐิคือเห็นทุกอย่างถูกต้องเห็นทุกเป็นทุกเห็นเหตุเป็นเหตุเห็นความดับไปของเหตุตามหลักแห่งความจริงที่มันดับได้เพราะความดับไปของเหตุมันดับได้จริงและเห็นทางปฏิบัติที่จะเขาไปดับเหตุเห็นทุกว่าพิธีทางหการปฏิบัติที่จะเข้าไปดับเหตุนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ ทุกควรจะยอมรับสมุทัยเหตุให้เกิดทุกควรละความดับไปของตัวทุกควรทําให้แจ้งและทางดับทุกควรเจริญขึ้นอยู่บ่อยๆทำให้มากขึ้นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนี่คือทางสายกลางในทางพุทธศาสนาและในวิธีการที่ปฏิบัตินี้ไม่ต้องมีพิธีกรรมสักฆละเคารพ บ, บูชาเส้นสวงเส้นไหว้กราบไหว้อ้อนวอนให้ใครมาช่วยเหลือเราไม่ต้องดับทุกด้วยตัวเรานี่คือ คามปเป็นเสร็จสูงสุดในชีวิตของมนุษย์และนี่คือสิ่งที่พระเยาวทรงมอบไว้ให้สําหรับบุคคลผู้นับถือพุทธศาสนานําไปสู่การประพฤติปฏิบัติภายในตนและให้ได้รับประโยชน์จากศาสนาในการที่ตนเองนับถือนับว่าเป็นเมตตาที่คุณกรุณาที่คุณปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์ทรงวางหลักการปฏิบัติไว้และกระสืบทอดมา ถ, ถึงพวกเรา ฉันั้นการนับถือและปฏิบัติศาสนาจึงไม่ควรปฏิบัติอยู่ในชั้นของการทําตามพิธีกรรมเพราะนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อก่อประโยชน์ในทางด้านศาสนาพิธีกรรมไม่ได้ถือว่าเป็นเปลือกของศาสนาแต่เป็นสิ่งที่อยู่นอกเปลือกไม่ใช่ตัวเปลือกอันที่อยู่นอกเปลือกเนี่ยก็เท่ากับว่า น, นอกศาสนา และหาทำพิธีกรรมที่อันเป็นตัวอยู่นอกศาสนาอยู่ไปเรื่อยๆมันจะเข้าถึงแก่นสารสาระของศาสนาได้อย่างไรนะนคือความสําคัญที่เราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นความฟุ้งซ่านมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอย่าไปดับมันและมันไม่ได้ทําให้จิตใจเราวุ่นวายแต่เราไปวุ่นวายกับมันเองเพราะเราไม่รู้แม่จันทีเคยแบบนอนไม่หลับไหม ฟุ้งทั้งคืนอย่างเงี้ย ค, คิดเพราะเรื่องงานหรือเรื่องลูกหรือเรือร่องตัวเองวันไหนเป็นเรื่องอะไรก็คิดพอสมรวมกันหมดมนะนนนคิดวิตกกงังวลเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะคิดด้วยความหวาดกลัวเป็นอีกเรื่องหนึง่งคิด คิดด้วยความคาดหวังในสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคาดหวังไว้ว่าสิ่งนี้จะสาเร็จไม่สาเร็จคิดอย่างนั้น ก, ก, ก็มันยังไม่เกิดไปคิดมั น, มนจะสาเร็จไหละ่ะไม่สำเร็จใช่ไหล่ะไปสร้างความคิดให้เออบุญบายปเปะเป็นอย่างนั้นไปทุกเปลาเปล่าทั้งท้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่า สิ่งจะสําเร็จไม่สําเร็จมันมาจากเหตุแห่งการกระทำของเราแต่ปัจจุบันเนี้ยทาให้มันดีมันถูกต้องและฝึกยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราให้ได้ทั้งส่วนที่เป็นความสําเร็จและส่วนที่ไม่เป็นความสําเร็จเพราะอะไรเพราะพระเจ้าบอกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นุูมิเป็นสัตวจักรอันนึงนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่สามารถได้รับสิ่งที่เราปรารถนาได้เลยทั้งหมดมันเป็ น, ป น, ปนไปไหมนะ เพราะถ้าเราปรารถนาแล้วมันสําเร็จทุกอย่างเนี่ยมันไม่ต้องมามามาเลยมันก็มันเร็วไม่ต้องมาทําอะไรมานั่งปรารถนาเอาก็าคนนั้นก็สําเร็จแล้วอย่างนี้ที่ไม่หลังความคิดทางโลกกับทางธรรมมันจับขัดแย้งกันครับเนาะขัดแย้งยังไงขัดแย้งคือทางมนุษย์คือกุฎิชนนี่ต้องมีความปรารถนาถึงต้องแสวงหาพอแสวงหามันก็ได้มาครับแต่ทางธรรมมากก็คือว่าถ้าคุณไปแสวงหาคุณก็ท้าแบบ มีปัญหาเกิดขึ้นไม่ใช่นะพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องสันตุทีกถาว่าสันตุทีคือเรียกว่าความสันโดกคําว่าสันโดมีอยู่สองลักษณะพอใจในสิ่งตัวเองมียินดีในสิ่งตัวเองได้คําว่าพอใจในสิ่งตัวเองมีนั้นหมายถึงว่าเมื่อยังไม่ได้สิ่งอันในไดได้มาตรงตามความต้องการของเราหรือเรายังบกพร่องหลายๆเรื่องที่อยากที่ยังไม่ไม่มีความสมบูรณ์หรือครบส่วนในสิ่งที่ควรจะได้ บอกยินดีมันก่อนยินดีอันที่มีอยู่เท่านี้แหละก่อนแล้วเรียกว่ายินดีในสิ่งตัวเองได้มีอะไรนะพอใจในสิ่งตัวเองมีแล้วหากสิ่งใดก็ตามที่จะได้มาอย่างถูกต้องโดยธรรมก็ให้พอใจในสิ่งที่จะได้มาโดยธรรมครับจึงคําว่าสันโดษที่มีอยู่สองกรณีคือพอใจในสิ่งตัวเองมียินดีในสิ่งตัวเองได้พรงไม่ได้ห้ามการได้มาอะไรก็ตามที่จะได้มา ผู้เจ้าก็บอกให้สร้างขึ้นให้ทําขึ้นพวงจึงใช้คําว่าอุทรฐานและสัมปทาถึงพร้อมด้วยความบาปบาปคือมันเป็นทุกข์อยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวทุกเลยให้เต็มที่แต่ทุกข์ในทางที่เป็นประโยชน์เข้าใจไหมนั่นหมายถึงว่าผู้เจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ให้เราใช้ความอยากที่จะเป็นเครื่องทําให้เราไปถึงผลสําเร็จแต่ความอยากในปวาหมายของเจ้าคือใช้ความอยากเข้าไปดับทุกข์ทั้งทันที่มัน ไม่สามารถที่จะเข้าไปดับในสิ่งที่มันเป็นจริงได้นะคือมันแก่ไม่อยากให้มันแก่อย่างเงี้ย ม, มันใช้ความอยากได้ไหมละ่ะมันไม่ควรคือความอยากเราต้องแยกประเภทนี้ออกนะประเภทในความหมายของผู้หญิงอยากเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดพบใหม่นะเป็นอยากที่ปวดล้าแต่ความอยากทั่ ว, วไปเนะี่ยไม่ต้องหวดล้าอยากที่เกิดมาโดยปกติเช่นอยากมีเงินก็ผู้เจ้าบอกขยันหาอุทานอาถามประทาน เรียกว่าขยันหาอันที่สองอาราคาสัมปทานเรียว่ารักษาทรัพย์ที่หาทำ ม, มาได้ด้วยความหมั่นเพียรนั่นแหะรักษาทรัพย์ไว้ให้ดีเก็บสะสมให้ดีขยันหารักษาดีอันที่สามกรารยาณมิตตตาคบเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ไม่ได้นําพาเราไปสู่ความชิบหายไบวอดไม่ใช่พบแต่เพื่อนที่ขอยืมเงินกูยืมหน่อยกูยืนหน่อยกูยืมหน่อย ควักให้เขาหมดแล้วเป็นไงใจดีนะเพื <im <im ่อนดีก็รักเพื่อนก็การยานมีตาตาคบเพื่อนดีเพื่อนเพื่อนดีเป็นแบบไหนช่วยเหลือส่งเสริมเราช่วยเหลือเราเมื่อเราได้รับความเดือดร้อนด้วยซับเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเพื่อนแท้ไม่เพื่อนแท้พระเจ้าบอกว่าหากเราเอวยปากปากขอขอยืมขอซับเพื่อนนะเชื่อว่าขอห้าร้อย แต่เพื่อนให้ซับเกินกว่าที่ออกปากให้นั่นคือเพื่อนแแฮแแฮแล้วไม่ทวงนืไม่ทวงก็เรียกว่า <c oughs> ให้ซับเกินกว่าที่ออกปากให้เ ป, เป็นเพื่อนแแฮเนี่ยคือกรณีหนึ่งแล้วก็หขยันขยันหาเรียอกว่าอุทานอสัพปทาสองรักษาดีอารักขาาสัพปทาส มีกัลยาณมิตรมีมีมิตรดีอย่างเงี้ยมีมิตร ด, ดีมีเพื่อนที่ดีมีพเพื่อนที่ดีเรียกว่ากัลยาณมิตตตามีเพื่อนดีอันที่สี่ใช้ชีวิตให้พอเพียงเรียกว่าสมัคชีวิตตามีเท่านี้ใช้เท่านี้นะอย่าให้มันฟุ่มเฟือยมากเกินไปต้องถึก ว, ว่ากูหนียืมสินก็กู้ก็เป็นเรื่องธรมรมดาแต่ว่าสิ่งที่ทําลงไปต้องให้มันพอมเหมาะพอควรสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เรากระทาในธุรกิจ ที่ลงแรงลง ล, งลงลงกายลงแร ง, งกายแรงใจทำลงไปให้มันพอดีพอดีกันเนี่ยหลักของการสแสวงหาพระเจ้าก็สอนสอนแต่อย่าใช้ความอยากโดยที่ไม่ถูกกับเหตุผลเช่นอยากจะมีทรัพย์มีเงินมีทองไปขอกับพปู่ศรีสุดโทขอกับพระเจ้าเต่างอยขอกับนางอะไรแตะเคียนนาง อันนั้นอ่ะมันใช้ความอยากผิดที่ผิดทางอาจารย์ครับถ้าเกิดไปยืมเงินเข้ามาหรือว่าไปกู้มาแล้วมาทําบุญเนี่ยมันคือมันจะได้อันนี้ส่งตรงไหนหรือว่า ม, มันจะต้องกลับไปสู่เจ้าของเดิมที่เรายืมเงินเข้ามามันเป็นแคศกาจจานนี้ก็อยากอยากทําบุญก็ไปยืมเข้ามาสักหน่อยเนีใช่บางทีบางทีก็ ไปวัดไปวาไปที่ไหนก็ตามเกิดอยากจะทําบุญไม่ได้เอตามไปด้วยกูยืมมึงหน่อยเดี๋ยวกูจะมาคืนให้พอไปทำบุญหน่อยอยากจะทำบุญอะไรพี่เนี่ยหรือมาตามไปก็ประเภทนี้ก็มีคือเรื่องนี้เราจะตัดสินบุญกันตรงที่การปลารกกุศลเมื่อจิตปลารกกุศลเกิดขึ้นเมื่อไห่วิบากผลย่อมมีแต่จะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับการได้สละออกหรือเปล่า การยืมเราไปขู่เค็นเขาไหมเอาปืนไปจี้เขาไหมไปบังคับเขาไหมหรือพูดล่อลวงเขาหรือเปล่าเขาเต็มใจให้ยังไหมโอเคเราไปทําบุญเราได้บุญแต่เราต้องคืนสิถ้าไม่คืนนี่ก็เป็นทุจริตบุญเป็นของเข้าใช่ไหฮะจะได้บุญคืนไปยังเขาหรือว่าเรามันก็จะเป็นกรรมบุญก็เป็นของผู้กระทําอยู่แต่กรรมเป็นของถ้าเราไม่คืนนะบุญก็ยังเป็นของตัวเองอยู่ แต่กรรมคือการที่เราได้เอาเงินเขามาเนี่ยมันจะเป็นกรรมสืบทอดที่ทําให้เราไม่ไม่ไม่มีทรัพย์จากใช่ทรัพย์ได้มาเท่าไหร่ก็จะถึงข้าวชีบหายวายวอดถึงข้าวพี่น้าเป็นอย่างนั้นแต่บุญก็มีไม่ไม่มีบุญจะต้กลับคืนไปที่จรไปปล้นเขามาแล้วเอาเงินไปทําบุญก็ได้บุญอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะได้ แต่การพ้นนั้นอ่ะจะทาให้จะเป็นกรรมที่จะนำไปสู่ผลที่จะเป็นไปในภายภาคหน้าที่จะเอีงให้เป็นเกิดเป็นคนทุกข์ยากลำบากหรือจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ได้ทรัพย์มาก็าถึงขราวชีบหายมีมีนาล้อยไร่กับหมดเนี่ยมีบ้านสิบล้านกับหมดอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ยักษที่คุณบอบอกว่าเพื่อเราไปยิงงินงานก่อใช่ม แล้วเราก็ไปทําบุญถ้าเกิดแล้วไม่ใช้คืนนางกอนี่ไม่ใช่ได้บุญนะพระปางพระอาจารย์นอกจากว่านางกอยินดีด้วยเออได้ยินดีด้วยเขได้บุญตนตนเองตนเองใครๆก็บอกไม่ได้ทํานะแต่เขามายืมนะเขาเอาเอาเงินไปทําบุญโอ้อนุโมทนาด้วยนะจะได้เขาต้องกราบอนุโมทนาคะถึงได้บุญคือเราเรายืมเขาเพื่อไปทําบุญเขาก็ให้เราแต่ว่าเราก็ต้องได้บุญของเราเพราะเรายืมแต่เงินเขา แต่เวลาเราก็ต้องไปคืนเขาบุญก็ต้องไปทวงะถ้าสมมติเราไม่คืนเขาเขาก็ไม่ใช่ได้บุญนะถ้าเขาไม่เอางนะบุญก็ไม่บุญแน่นอนนำมึงยืมเงินกูไม่เอามาคืนกูบาปมันก็ต้องบาปกันอยู่นีนะเอาเงินไปคืนเขาบุญเป็นของเราะก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติเราไม่คืนเขาบุญนั้นไม่ใช่เป็นขาเพรายังไม่ได้ตอนที่เรายิงมันค้าเขาง้อนจะเราเพขาไม่ได้ปาลบกุศลเหมือนเราเนี่ย แต่ถ้าปลาลบกุศลเหมือนกันเท่ากันเจ้าทรัพย์เจ้าทรัพย์มีทรัพย์ไปด้วยคืออีกคนไอคนที่ให้ยืมน่ยมีทรัพย์ในตัวเองทําบุญด้วยและแบ่งปันทรัพย์ของตัวเองให้คนอื่นไปทําบุญด้วยอันนั้นอ่ะได้บุญทั้งสองอย่างแล้วเวลาเราเราไปด้วยกันหลายๆคนนะครับบางคนเอ๊ะคุณทำไมทำบุญน้อยจังก็ <c oughs> ผมบอกเรารู้ในตัวเราเองว่าเราให้เดี๋ยวเรียนตัวเราแล้วไห้เดี๋ยวเรียนคนอื่น เขาบอกทำบุญ ท, ทำไมทําบุญน้อยจากมาทั้งคิดมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่ตัวเขาใช่ครับผมเลยว่าบุญมั้องคงเกิดจากเจตนาที่เราเรารู้ตัวเราเองว่าเราไม่เบียดเบียนตัวเราเองละเราถึงพระพุทธ<ำ>เจ้า บ, บอกว่าทรัพย์สมบัติมากหรือน้อยไม่ได้เป็นที่ตั้งและเป็นเครื่องกําหนดของตัวบุญหรือปริมาณแห่งบุญว่ามากหรือน้อยเท่าไหร่แต่จิตอันเลื่อมใส ของบุคคลผู้ได้ให้นั้นเองเป็นตัวกำหนดปริมาณแห่งบุญมากหรือน้อยอยู่ที่จิตแต่รับเป็นวัตถุในการสลระออกจิตคิดทีด่จิต ค, คิดที่จะทำบุญยังมากแต่ไม่มีของที่จะสละออกก็คือได้คิดเหมือนกันกันกบเอกาศดพรามเอกาะดฟังเทศพู้รูเจ้าอยากจะทำบุญมากแต่ไม่มีของให้ทำบุญน่ะ ตัวเองไม่มีทรัพสมบัติครอ้คของเงินทองอะไรมีภาพผืนเดียว<อ> ก, ก็อยากจะทาก็อยากจะทาแต่ว่ามีผาพผืนเดียวถ้าสละออกตัวเองก็มีผ้ารุ่มใช่ไหละ่ะสุดท้ายก็ไม่สละออกถามว่าคณะที่คิดที่จะให้ทานเป็นบุญใใหหไหมเป็นใช่ไหมละ่ะเป็นแต่เพียงแต่ว่าวัตถุทานไม่ได้ถูกสลัออก ม, มันไม่เต็มที่ก็เรียก ว, ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นผลก็มันแค่ออกดอกแต่ยังไม่เป็นผลยังไม่ออกลูกอย่างเงี้ยก็ได้แค่ดอกสองครั้งสามครั้งครั้งที่สามตัดสินใจเลยยังไงยังไงก็ต้องสละออกก็ถอดผ้าออกเป็นผู้เปือยคานเขาไปหาพระพุทธเจ้าวางผ้าลงแทบพระบาทผ้าโพคงขอถวายผ้าผืนนี้เป็นเครื่องทยทานใน การฟังเทศฟังธรรมของพุทธองค์พูดง่ายถวายเป็นการเทศอน์เลผ้าเกิดเสียงกระหึมขึ้นมาเลยที่นี่กระหึมขึ้นในบริเวณนะั้นเขาเรียกโกลาพลังโกลาหนคือเสียงของเทวดาสาธุการพร้องมกันน่ะสาธุตอนที่ยังไม่สละออกไม่สาธุแม้จิตคิดจะปารลกทาบุญแค่ไหนก็ตามเต็มเปี่ยมภไยในจิตแค่ไหนก็ตามวัตถุยังไม่สละออก ก, ก, ก็ก็ยังไม่สําเร็จผลยังไม่เกิดเป็นผล ต้องสลักออกด้วยถึงอจะเป็นผลประกอบกันจากด้วยผลบุญนั้นก็พระราชาก็สั่งผ้าจากท้องพระคังเอามาให้5้าร้อยืนพอได้ามาห้าร้อยผืนก็ถวายผ้า5้าร้อยืนสั่งมาให้อีกก็วถวายผ้าจนจนครบปดเลยก็สั่งมาให้อีกพร้นะอมกับยกบ้านให้อนิสม อากเปลียนเปียนว่าผ้าเส้าบ้องเน่ะผ้า ก, กลางเก่ากลา ง, ลางใหม่ใช้มาแล้วเนี่ยไปถวายพผู้ได้เจ้าแต่ด้วยจิตพลังแห่งจิตเนี่ยมันปริมาณของบุญเกินมาอีกชาตหนึ่งอะไรพ่อแม่เอาผ้าเก่าให้ให้ให้นุ่งพ่อเป็นขอทานมันเกิดเป็นขอทานด้วยอกุศสรกรรมบางอย่าง mm hmm. พ่อแม่เอาผ้าเก่าให้นุ่งนุ่งไม่ได้ทําไมมันมันอยากเกินไปนุ่งไม่ได้นุ่งแล้วระคายเคืองอย่างเงี้ย ตัวเองเป็นขอทานแม่ก็บอกโอ้ยกูได้ผ้ามาขนาดนี้ดีที่สุดแล้วในบรรดาขอทานกูไปขอเข้ามาเนี่ยแล้วมึงบอกมึงไม่ได้มึงจะไปหาที่ไหนงั้นมึงไปหาเอาเองเถอะปล่อยลูกไปเลยเอาเอ า, เอาขันเดินถือขอทานไปนะกูเลี้ยงมึงไม่ได้แล้วมึงไปหากินเองนะก็เอาถือขันเดินขอทานไปเรื่อยเรื่อ เ, อ เ, อเอืจนเขาก็ไม่ได้ให้นะไปขอผ้าผ้าดีๆผ้าใหม่ๆ ม, มาคือมันเป็นบุญของเขาแต่ปางก่อนใช้ผ้าเก่าไม่ได้ อันนี้คือเรื่องบุญอย่างหนึ่งนะ่ะบางคนบอกทําไมซื้อเสื้อราคาแพงๆมันบุญเก่าเขาบางทีก็มีนะบางคนนี่มีเงินที่จะซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆไม่ซื้อพราะไม่เคยทําบุญในเรื่องของการให้ทานเรื่องผ้ามาไปซื้อแต่ผ้าแบบธ ร, รรมราธรรมรามาใส่ก็มีเพ่อทําบุญไในแค่อย่างนั้นมานะไม่เหมือนกันไอเด็กขอทานเนี่ยมันเคยทําบุญแบบชนิดที่ดีมาก่อนนะเลย นุ่งผ้าชนิดที่มันอะไรหยาบหยาบไม่ได้ไปหาขอเขาเขาก็ไม่ให้ไม่มีใครขอให้จนไปอยู่อีกเมืองหนึง่งด้วยความหิวด้วยความหิวก็เลยนอนอยู่ใต้ต้นไม้ข้างก้อนหินอยูบ่บนหินใต้ต้นไม้ด้วยความหิวไม่มีใครให้ขอให้ทานปรากฏว่าในเมืองนั้นพระราชาสวรสดิ์ละพ้ไปแล้วเจ็ดวันไม่มีคนขึ้นของละ เขเลยปล่อยราชรถออกมาว่าราชรถไปหยุดที่ใครจากยกคนค้นขึ้นคลองล่าไอราชรถก็เลยมาหยุดอยู่ตรงไอเด็กคนนี้มีบุญน่ะบุญเก่าอ่ะบุญมาดีตั้งแต่ทำกับพุทธเจ้าองค์ก่อนน่ะเขาก็เลยตีม้าให้วิ่งม้าก็ไม่วิ่งเนีพราเทวดาบันดาลให้ม้าหยุดรถก็หยุดก็เลยสํารวจบริเวณมีใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่าว่าก็ไปเห็นเด็กคนนี้นอนอยู่ใต้ต้นไม้ ไอเด็กล่อนจ้อนไม่มีสภาวะใส่ผีขอทานไอ <c oughs> เด็กคนนี้เรามีบุญวะมันมเหมือนลักษณะคนมีบุญเลยาจะเอาขึ้นคลองราดได้ยังไงวะเนี่ยเ <c oughs> ขาก็เอาในไราดชอลอรถก็หยุดอยู่ครับาใยความเชื่อไงอินเดียถ้าเขาเชื่อคือเชื่อนะเอ <c oughs> เอาขึ้นราดชอลอเถเล <c oughs> ะแฮาเข้าสู่เมืองที่นี่เบิกเบิกเบิกไอเสื้อผ้าในท้องพระคลังมาให้เด็กนี่นุ่งบอก ผ้านี้หยาบเกินไปเอาผ้าที่ดีที่สุดแล้วนะที่กษัตริย์องค์กรใช้ก็บอกผ้านี้หยาบเกินไปเดือดร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์ต้องเอาผ้าทิพย์ลงมาให้ถึงจะใส่ได้ผ้าที่เทวดาใช้อะถึงจะใส่ได้นว่านอะปริมาณของบุญมันเป็นความละเอียดมากเลยนะอะจริงๆจริงถ้าไม่เคยถวายผ้าชั้นดีให้สิ่งที่ดีๆไว้นี่จะโน้มไปเพื่อใช้ของดีไม่ได้ อท่านครับ ถ, ถึงว่าบางคนที่เขารวยที่แบบบางมีแต่ทรัพย์เป็นอันตนนีเขาเป็นเสื้ออะไรไม่ได้นะครับผมปกเสือ้อกาปกคาพอใช่ผู้ได้เจ้าก็บอกว่าทรัพย์ของอทรัพย์ของบุคคลผู้ตนีก็เหมือนกับทรัพย์บุคคลผู้ยากไร้นั่นเลยไม่มีประโยชน์ต่อใครใครเลยเมไม่ทำรประโยชน์ให้กับตัวเองะจะมีอยู่แสนล้านพันล้านแต่ตันีอยู่ก็เหมือนกับทรัพย์ของผู้ยากไร้เพราะไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครๆ ไม่เกิดประโยชน์กับตนพระองค์จึงสอนให้ใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ทั้งแต่ตนเองและผู้อื่นนั่นคือความหมายของความมีทรัพย์เขชอบในตัวเลขเขชอบในตัวเลขแต่ตัวเขาไปดูแลเลยนะก็เรื่องของเขานั้งหลยไม่ดูแลร่างกายไม่ดูแลการกินแต่ตัวเลขเขาไปเข้ใจตัวเอบางทีเราต้องแยกบุญกับความอยากให้ออกนะบางคน บางคนบุญเขามากแล้วก็าเขาโน้มใจไปแต่ใช้ของดีๆอย่างเงี้ยบางทีบางถ้าจะมองในแง่นึ่งก็บอกว่าไอ้นี่มันอยากเกินตัวตใช้ความอยากเกินตัวบุญมันบันดาลให้เขามันไปอย่างนั้นก็มีนะแต่บางคนนี่ซับเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ใช้ของแบบปอนๆ<ะ>ใช้ของแบบมือสอง<ะ>อง๋อเกินอางนันก็มี เนี่ยตมาี่ใช้ใช้ผ้าทั่วไปไมได้มันระคายเคืองนะนี่แสดงว่าทาบุญมาดีอ๋อจริงจริงๆนะ่ยทำบุญมาดีเลยได้ใช้ผ้าดีๆผ้าผ้าที่ที่ขากระทอผ้าไหมให้ก็บอกไม่เอาไม่เอาผ้าไหมไม่เอาใช้ก็บอกพระอาจารย์ใช้ผ้าไหมมันดีมันมันเป็นผ้าธรรมชาติท้ายแล้วมีผลดีต่อสุขภาพทาให้อายุยืนมาก็ไม่ค่อยชอบผ้าใช้ผ้าไหม แต่ไม่ชอบอยังไงมันมันจะได้ของเขาจะเอาถวายมาเ<ม>ขาก็ทอเองตัดเอง<ม>ทอมาให้ฝีมือของยายยาลจวนยูซูลินโอโคทอกันแบบตั้งใจมากทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืน อ, อยากจะให้ตามาใช้ผ้าก็ค<อ>งจะมีบุญแต่ปางก่อนมาอยู่เหมือนกัน มันมันขึ้นอยู่กับบุญ mm hmm. กับบางคนโน้มใจไปในภาพบางรูปโน้มใจไปในการใช้ภาพแบบเศร้าหมองก็มีนะใช้ภาพปากภาพขาดภาพดีๆไม่ใช้ก็มีมันมันเป็นบุญเก่าหรือวาสนาเก่าก็มีนะบางทีอย่างเช่นพระมาหากัะสปัมาจากตระกูลตระกูลของบุคคลผู้ทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยนะออกบวชนี่ ถือถตู้รงข้าววัดอันนั้นเกิดจากทุ้รงข้าววัดถือตุ้รงข้าววัดใช้แต่ผ้ า, ผาปอนปอนผ้าเก่าๆผ้าขาดผ้าที่พขทิ้งแล้วเนี่ยถือถตุ้รองข้าววัดเราใช้ผ้าบังสุกุลอนนันก็เป็นอธยาศัยส่วนหนึ่งพรรมะ ก, กัตริยท่านทําเพื่อชนรุ่นหลังให้ถือเป็นแบบอย่างไม่มากมา ก, มากเกินไปแต่ว่าผ้าอะไรที่เลิศในทางรลกักผ้าสีวลี ภาษีวาีนี่ใช้ผ้าใหม่สามเวลาเชาา้าหนึ่งไตรกลางวันหนึ่งไตรตอนเย็นหนึ่งไตรใช้วันละสามไตรเลย ใ, ใหม่เลยตลอดทุกวันเลยวันละสามไตรก็บุญท่านบารี <c oughs> เลิอดด้วยลาบ <c oughs> เลือดเลยแหละลาบสักลาไปที่ไหนไม่ <c oughs> ไม่เคยขาดตกบกพรองสิ่งใดใช้แต่ของดีๆเปลี่ยนผ้าได้สามเวลาโยมเข้ามาถวายแต่เขาถวายแต่ผ้าดีๆให้ท่าน จองเรียงคิวกันถาวายข้ามปีเลยนะโยมครั้งนั้นนะอันนี้ก็มีจองข้ามปีเหมือนกันแต่ถ้าผ้าไม่ถูกใจก็ไม่เอาใส่แล้วละใครคืองแต่ไม่ใช่ดูถูกผ้าเก่าผ้าไม่ดีนะไม่ใช่นะใช้ได้แต่ใช้แล้วมันก็รู้สึกมีดีคือตัวตัวเนื้อเราเนี่ยเนื่องจากอาัยวะไม่ใช่เพราะแต่ตอนที่มันที่ร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่สมัยเป็นหนุ่มเนี่ยใช้ผ้าแบบไหนก็ได้ ยาแบบแบบแบบที่มันปลอนทั่วไปก็ใช้ได้ปีห้าสามห้าสามห้าสี่ปีนั้นหากใครเห็นอะตรามา ย, ยังเห็นใช้ผ้าปากอยู่ใช่ไหมผ้าสบงผ้านุ่งยังมีรอยปากรอยเต้แบบไหนเท่านั้นผ้าจีวอนอย่างเงี้ยเพิ่งจะมาเปลี่ยนใช้ผ้า ช, ชนิดดีตอนที่อาภาษคือใช้แล้วมันมันเกิดผื่นผื่นแพ้ ละใครเครืองก็เลยเริ่มเปลี่ยน <Okay. S 1> เริ่มเริ่มหา้าที่เหมาะ ก, กับธาขันเพราะอาพาธมันมันมันเป็นหนัก <Okay. S 1> แผ้เป็ น, นก็เรียกว่าเป็นโรคสเก็ดเงินหรืออะไรนนประมาณประมาณเนี้เกี่ยวกับผิวหนังสเก็ดเงินแผลมันจะยุบยิบุยิ บ, ยบในตัวทับทับหน้ า, า, า <c oughs> ที่ไม่ดี ที่มาเองจะได้มากกว่าคนที่ส่งมาก็ได้มากแต่จะไม่มากเท่าเราเพราะคนที่นำมาเนี่ยบุญเกิดเกิดตลอดทุกลมหายใจจนกว่าเอามาถวายก็สาเร็จประโยชน์แล้วก็พอถวายปั๊บ ก็ปริมาณของบุญตั้งเริ่มตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วตามระยะทางมามามามามามา mm hmm. พอสำเร็จผลปุ๊บมันก็จะรวบรวมบุญทัญ้งหมดเกิดเป็นผลเกิจากขึ้นกับคนนั่งอยู่ที่บ้าน mm hmm. แล้วก็รออนุโมทนาก็ก็เกิดแต่ไม่มากเท่า mm hmm. ในปริมาณในการสะสมมันเหมือนกันกันกบอะไร mm hmm. ได้เหมือนกันแต่ การสะสมบุญไม่เหมือนกันสะสมปริมาณบุญไม่เหมือนกันเหมือนกันกับทําบุญกับพ่อกับแม่ลูกทําบุญกับพ่อแม่เหมือนกับทําบุญกับพระอรหันต์ได้ปริมาณบุญเท่ากันแต่ความละเอียดของบุญความปานิชของบุญไม่เท่ากับทําบุญกับพระอรหันต์ทำบุญกับพระอรหันต์มีความปานิชกว่า ถ้าลูกหลานจะจะซื้อของมาฝากหรือเอามาให้เราปฏิเสธดีๆนะครับไม่ดีปฏิเสธการให้ของคนอื่นชื่อว่าเป็นการทําลายฐานของคนอื่นใหเสียไปเราไมอยากรบกวนเขาไม่อยา ก, ก, า ไ, มยากไม่เกี่ยวควรที่จะสอนให้เขารู้จักเป็นผู้ให้ให้ให้ให<ม>อย่าไปคิดเรื่องของการรบกวนมันจะทําให้เสียระบบของธรรมชาติจะทําให้เสียการให้สูญเสียไปการให้คือธรรมชาติที่ ยังไงเป็นธรรมชาติที่ควรจะต้องควรให้เขามีสําหรับลูกหลานจะต้องสอนให้เขาเป็นผู้ให้เรามันเริ่นถึงวันหนึ่งเราไม่อยากจะเป็นภาระให้คนอื่นเราจะต้องอยู่ได้ตัวคนเดียวเนี่ยเราต้องฝึกว่าเราจะต้องไม่เป็นภาระเราจะไม่บรบกวนซึ่งมลูกหลานถามอยู่ อ, อันนั้นอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวอตอของเราเขาให้มามันไม่เกี่ยวกับการที่เราจะเป็นพาระหรือไม่เป็นภาระ เราเปิดโอกาสให้เขาได้ให้เป็นสิ่งที่ดีคือในความหมายของพระพุทธเจ้ามันเป็นหลักของปัญญานะที่พระองค์ว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยเขาบอกเป็นผู้ไกลจากไม่เราไม่ได้มีความประสงค์ว่าอยากจะได้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้นะแต่ว่าเราต้องการประสงค์ที่จะให้เขาเนี่ยรู้จักเป็นผู้ได้ให้หรือให้เขาได้สร้างคุณงามความดีที่เกิดจากการให้มันจะเป็นผลบุญติดตัวเข้าไปแต่ถ้าเราปิดเลยไม่เอาเขาไม่ได้ทําความดีในเรื่องของเนี้ยส่วนเนี้ย ที่จะเป็นเครื่องมวลจิตมวลใจเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบิดามารดาเป็นเป็นอาวุธในยาบุคคลคือเราพยายามที่จะแก้ไขกิเลสเราใช่ไหมล่ะครับความเป็นผู้ห่างไกลกิเลสไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มีสิ่งนั้นไม่ให้มีสิ่งนี้สามารถมีได้หมดทุกอย่างแบบพระสิวลีเนี่ยเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสเลยแต่ท่านมีมีทุกอย่างเพียบพร้อมะก็อย่างที่บอกกับผ้าหรืออาหารนี่ยอาหารนี่ โอ้โหเพียบบางทีพระเจ้ายังต้องอาศัยบา ร, รมีของพระศิวลีไปในถิ่นดุลักกันดานรู้เลยว่าไมา่ผู้คนไม่สามารถนําอาหารไปถวายได้เอาพระศิวลีไปด้วยศิวลีเธอไปกับเรานะไปไปบ้านนั้นตําบล น, นี้ไปกับเราเพราะถ้าเธอไม่ไปคงได้อด <laughs> เอาไปด้วยพอเอาไปด้วยปุ๊บบนของพระศิวลีอดึงคนดึงเทวดาดึงเทวร า, วราไปเนลมิตรเนลมิ ด, ด, มดไอเขาเรียกว่าศาราที่พักวนะิหารมีเรียบร้อยแล้วเนี่ยรออาหารทิพเครื่องทิพเต็มไปหมดนะเอาพระศิวลีไปด้วย <c oughs> นดนะบางทีพระพุทธเจ้ายัางต้องอาศัยบารมีพระศิวลีเขามาห่างไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีของพวกอย่างชั้นดีใช้นะไม่ใช่นะ ใช้ของชั้นดีก็ได้ใช้ของชั้นเลวก็ได้ใช้แบบไหนก็ได้แต่ไม่มีกิเลสไม่มีการยึดติดไม่มีการผัวพันไม่มีการหมกมุ่นไม่มีการเดือดร้อนกับสิ่งที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่ไม่ได้ยึดถือไม่ได้ทวงแทนใช่ถูกจะเสียก็ปล่อยเสียไปตามตามแบบพอมันไม่ต้องไปกลัวมันจะเกิดตัวมันจะเสียจะพังอะไรนี่ต้องเขาบอกห่างไกลจากกิเลสมันมันไม่ว่าต้องไม่มีอันนั้นต้องไม่มีอันนี้ถึงจะไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ เก็บอกว่าเนี่ยพระเล่นเฟซบุ๊กนี่ยังยังมีกิเลสดูมันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่เกี่ยวเขาว่าไม่มีกิเลสจะเอาตัวนี้มันเป็นกิเลสเหรอวัตถุทั้งปวงไม่ใช่กิเลสเข้าใจไหมกิเลสมันอยู่ที่ไหนที่นี้ถ้าตรงนี้มันมีนะอันนี้มีมันก็ผิดแต่ถ้าอันในนี้ไม่มีอันนี้มีมันมันก็ไม่ผิดมันจะมีอันนี้หรือไม่มีอันนี้ถ้าในนี้มันมีจิต เป็นกิเลสอยู่ครั้งพุทธการมีกิเลสไหมไม่มีโทรศัพท์นี่ยมีเขาก็มีเห็นไหมเห็นมีโทรศัพท์แต่กิเลสในครั้งพุทธการก็มีนวมารดาโลกตามสมัยทุกอย่างนวมารดาโลกเฟซบุ๊กมันเพิ่งจะมีมาไม่กี่ปีไงเขาบอกว่าอันนี้เป็นกิเลสมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติมากกว่าม้าเนาะแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ควรใช้ก็เห็นมีทางออกมาทางคณะสงฆ์บอกว่าให้ควบคุมการใช้ facebook หรือถ้าเขาบอกให้ยกเลิกก็จะยกเลิกก็พร้อมที่จะยกเลิกอยู่ถ้าเขาว่ามันไม่ดีนะเป็นการโจทขานจากจากแล้วะเขาจะเปลี่ยนปแปลงระบบการปกครองอะไรก็ไม่รู้แหละอย่างนี้นจะมีการถ่ายทอดทางทีวี <TV S 2> ได้ยังไงข้อเกี่ยวกับพษะศาสนามาานพาัพตก็ต้องออกทางทางีวีก็คือสือ่อก็สือ่อเหมือนกันครับก็นั่นแหละถ้าเขามองว่ามันเป็นกิเลสไงถ้าเขามองในแง่ว่าเป็นตีความออกมาได้ว่าพิกสูใช้เฟซบุ๊ก ถือว่าผิดธรรมวินัยเป็นกิเลสเราก็ต้องยอมรับตามนั้นว่ามันผิดธรรมะวินัยคือท่านอย่างนี้ได้ในพระไม่ได้ใช้แต่ชาวบ้านใช้ใช้เพื่อถ่ายทอดคือชาวบ้านก็ต้องสื่อให้ชาวบ้านเองโดยพระเป็นผู้แสดงธรช่ไม่ใช่ว่าพระจะต้องมาทําเองแต่งเองแต่ว่านี่เป็นก็ชาวบ้านไม่ไม่มาเงี้ยไม่มาทำอะไรเงี้ยนี่ไม่หล่ะชาวบ้านต้องมาทำ บางทีเราก็ต้องฝึกทําเองบ้างไหเรามันฝึกทําเองก็พอได้อยู่นะ่ยพอมันเรียนรู้กันได้มันถ้าเป็นไรยสังคมนิดหน่อยนะมันไม่ใช่ถึงขนาดท่ว่าต้องทําให้เราต้องหรือว่าเป็นพระทําไมมีรถยนต์ส่วนตัวอะไรอย่เงี้ยมันไม่เกี่ยวกันหรอกมันเกี่ยวกับกิโลกรกิโลเไม่เกี่ยวกันสังคมเรามันสับสนมาเยอนานแล้ว มันมั่วกันมานานแล้วสังคมเรามันแยกประเด็นอะไรไม่ออกว่าอะไรควรเไรไไปควบคุมในสิ่งที่ไม่ควรจะควบคุมตอนนี้ตั้งอะไรกันขึ้นมาเกี่ยวกับบัญชีวัดถ้าไม่ทำบัญชีวัดที่ถูกต้องกฎหมายจะลงโทษหาเรื่องลากคอพระเข้าคุกอยู่เรื่อยเลยจดีสัสับอ่ะอปัรวยพระรวยอย่าถ้ารวยสิบล้านดีสิ ระวังเนอะพนมพรฮะรวยสิบล้าน20บล้านเดี๋ยวเขาเห็นนะเดี๋ยวเขาเห็นของเรานะ ม, มักี่บาทสามบา ท, าบาทเราพร้อมที่จะให้ตรวจสอบไม่ต้องกลัวจารมาตอนไหนก็มาได้เ ร, เราไม่ได้ทำบัญชีเนี่ย <c oughs> ก็โดนไงเ ข, า, ขาบอกไม่ได้ทำบัญชีนี่โดนเนี่ย ทุกวัดต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายหากพระทําไม่ได้ต้องให้วัญวัจกรหากบัญวัจกรไม่ทําพระก็มีส่วนร่วมเพราะเป็นผู้ตั้งบัยญวัจกรขึ้นมาก็ต้องมีโทษด้วยเห็นว่าอย่างนั้นนะแต่สํำนักนี้ไม่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะอะไรเพราะไม่เคยรับเพไม่มีไม่มีไม่มีบัญชีบัญชีธนาคารไม่มีไปดูที่บัญชีธนาคารไม่มีนะ มีแต่ชาวบ้านเขาให้ชาวบ้านเข้าใจาให้อย่างเงี้ยมันจะมาทำ บ, บัญชีทำไมเพราะชาวบ้านเป็นผู้จ่ายชาวบ้านเป็นพยาบาลจกรดูแลมันนอกเรื่องแล้วมั้งงั้นก็พอแล้วสมควรแก่วเวลา จะหนอกเรื่องไปตัวนี้